มันเป็นพื้นเพลและสัมาัสชาและกินลสต่างๆความหนึ่งยล้ามันสั่งภายในจิตใจใหญ่มันก็มีสามความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทื่ของกิเลสในคำพีแปดหมืนอยู่พันละตันละขันตินัได้พอประมาณมีตั้งแต่ที่ของกิเลสของธรรมดังนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในจิตใจของสัดโลก คือเรียนจำได้คือหลืเสียนได้คือของกิเลสตัณหาอาสวะและชือหมักั้กทางนักประวัตตัวได้ตัวรู้ตัวต ล, ลาดัตั้งที่เราเกิดคือกิเลสไม่เด็ดาดแคงประเับตัวเดียวในจิตใจร้อนมิ่นกั่าภูเขาไฟมันไ่เกิดประโยชน์อะไรนั่งคำว่าพระยาปฏิบัติ ประตูเล่ึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปศาสนาถ้าขาดทั้งสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจนหมาดมาความหลังจากเขาได้อ่านตัวอักษรจันมั่นแล้วมีจำนวนมากที่เขียนมาคล้ายพึงกันเขาบอกว่า หลังจะอ่านประวัติ่อนกัรมั่นิบลงแล้วเหมือนเขาเกิดชาติใหม่เขามีหวังหวังเกิดมันในแดนใพุทธศาสนานี่ซึ่ง เ, เงมมต็มไปด้วยมรรคผมุข่ัยแต่แต่ก่อนมันเป็นอย่างนีง้เป็นเป็นความแน่ใจหมดหวังเพราะเห็นว่า ศา ส, สนา ม, มีแต่ตัวหนังสือพระเนมีแต่ผ้าเหลืองกวางหาผู้ที่สมัครสงผลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจริมีแต่ตัวหนังสือไม่มีใครจง ม, มักผลเป็นความจริงนง่ายไวยพอได้อ่านประวัตท่านอารย์ั่นแล้วเป็นการสร้างความหลังให้เต็มหัวใจ ม, มีกันวนมากนะที่เขียนอา <c oughs> ต่อมาหลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วคล้ายคึงกันอย่างนี้ ม, มากไม่เนืกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดัง <c oughs> ท่านอาจารย์มั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านสอนมัน่นนี่เลยสิดพาดันนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้ว เต็มตื้นภายนหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในท้อการงชาติเก่าๆที่มีอยู่นี้ก็ว่านนมาีพระพุทนั้นนี้ขึ้มาเพราะนั้นเราสู้เป็นนักปฏิบัติขอให้ถือตามคำสัตย์คำพิงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีส่วนขาดถัน เป็นเครื่องประกันคุณภาพความถูกต้องดีงามทุกอย่างไว้โดยสมบูรณ์แล้วการแสดงออกให้โลกเห็นชัดก็คือนิยานิกธรรมซึงออกไปจากส่วนขารรมทกอย่างกให้ทอบแล้วทรมินายเป็นเครื่อนำออกซึ่งโทษทั้งหลายที่มีภาในาใจของสัตว์ โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์การข่าวจาของพระพุธทธเจ้าเป็นพระาวจาที่มีศักดิ์มีจริงมีลิกธาจักดานุภพมากเหนือนที่เหลืกทุกประเภณเมื่อได้นำพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไปปฏิบัติ ปรญหาสิ่งไรก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติของรายนั้นๆและหมดขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นเต็มผู่มีเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปเป็นเวลานานจ น, นกว่า จิตใจของสัตว์โลกจะหมดความเยื่อใย ห, หมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในนอกลกูนอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์แล้วนั่นแหละาศาสนาจะหมดก็หมดตรงนั้น คือหมดเลยไม่มีสัตว์ตัวใดผู้ใดสามารถจะนำเติปฏิบัติได้ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะจิตใจอยากเกินกว่าจะสนใจในธรรมทั้งหลายได้ที่ร่วม่าศาสนาก็ถึิดิตปทานไว้ห้าพันปีนั้นก็ตามอุปนิสัยของใจจิตใจของโลกผู้ถือพุทธถือธรรมคือสงนีจิ มีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นีความรู้ความนิ้วสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมก็มีความผัวพันในโลกแล้วก็ปลดปล่อมันเรียกว่าเป็นทางผิดฉะนั้นเขเป็นการเรียกว่านิสัยไมีดีเมื่อไม่มีศาสนาแล้วก็ เป็นเหมือนจัตเพราะบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความนี้อิริบิปุตตะปัไม่ได้ก็เป็นเหมือนจัตที่มีอำนาจก็กดขี่พวกขงพืชไ ถ, ถกันจินตีกันจีนเหมือนจัตปากความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในจิตใจมีโทษธรรมถึงขนาดนั้น เท่าที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะร้อนแล้วอูอยู่ทุกแห่งทุกานทุกวันนี้ก็ยังมีที่ตรงวางยังมีที่สงบยังมีที่วัดที่ดวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรม อ, อีอาก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมอยู่จิตใจยังฝ่ธรรมอ ผู้ที่ใช้วิธี่สวนให้ไดเหตุได้ผลเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่บุคล้องความเป็นธรรมก็มีธรรมยันเป็นหลักเป็นเกณฑในหัวใจของโลกอยู่โลกยิ่งแม่จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุทรก็ยังมีเ ก, กาะมีดอนพอยยืดออาศัยได้ มี่เราพูดถึงภาพทั่วไปจิตใจถ้าขณะใดาโลกเข้าย่ำหนีขณะนั้นก็เดือดร้อนตั้งตัวไม่ได้แล้สัางละสายบุ่นวายไปกับอารณต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอรูกลังของพี่ที่ขับดันจิตใจใ คุ้งสร้างไม่ได้ความจะพุ่จิตใจจะพุ่งสร้างแต่มันก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสําคัญเจอเห็นไปได้ยินสิ่งใดนั่นนาเรื่องนั่นเข้ามาเผาตนเองจิตใจก็ถือนั่นเป็นอารมณ์เลยอถือนั่นเป็นงานงานนั้นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เาผาฐานจิตใจใหเกิดความเบือดร้อน มีขณะไม่มีสติเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่มาวา่าพรว่าไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเราตรงทำความสังเกตสอสดู้ตนอยู่เสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ํานีได้อย่าให้สิ่งดดใงดมารบกวนจิตใจได้คาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดวาภาพเอาสิ่งนั้น สิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคลุ่นคิดครุ่นคิดภายในจิตใจให้ว่าวิ่งขึ้นโม่อยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติคอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันดีเหมอด้วยสติด้วยธรรญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์สิ่งนั้นเป็นของเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นความผิดผล ต้องเป็นพิดในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆจึงต้องอาศัยการต้านทานยึดต่อสู้กันเรื่อยๆคำว่าปะทะปะทะนั้นคือมีการต่อสู้ที่มีการประทะหางจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะคน้นคิดมันเป็นศาสตราอาวุธสาคัญไม่มีคาว่าปะทะก็ไม่ปรากฏ เรียกว่าร่าเรียบไปเลยถ้ามีปัญาก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะะัะาเช็นปัะหาข้อกัรวร้ายอย่างนี้เป็นต้นพอเยาว์าเราก็สู้เขาก็สู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปัะากันวิเวทก็เกิดขึ้นภายในจิตใจไ่ว่าจะเป็นความโรคความปวดความหลงราคะปัญหาประเภทใดๆซึ่งเป็น ทังพอแม่ของกิเลสดุจ้าแล้วก็ของกิเลสมันเป็นคาสิททั้งนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจใสติก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันในะกันจนเอาชนะหรือทั้งหมดกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่อนนี้เราจับได้เงื่อนนั้นเงื่อนนี้พอทรงตัวอยู่ได้ด้ว ย, วยสติปัญญาปัทฐานของเียนของตนนี่เรียกว่าปัฏเพราะมีการต่อสู้กัน ทาไม่มีการต่อผู้ไม่เรียกว่าประทะระหว่างเรากับอารมณ์ปะทะกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็รู้เรื่องกันไปเรื่อยๆ้า ม, มีสติจิตใจก็เป็นเสียงเท้ทาให้ขี่เหลียบีย่ำทำลายซึ่งไม่สงควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้งข <c oughs> ันขอให้เคารพพระพุทธเจ้า เชื่อสังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงจังอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าเทธดรนมันในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแฝงซ้อนกันอยู่กับธรรมส่วนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอ แล้วคอยทำลายให้เอียงให้เอียงโดยตนเองก็ไม่รู้สึกว่าได้เอียงไปยังไงทั้งๆที่เอียงอยู่แล้วมีเนื้อจากไม่มีสติทางนี้สติแล้วก็าพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเห็นความลําบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นศัพท์ยานแก่ตนเองการประพฤทธปฏิบัตธิธรรมก็ะองค์รู้สึกว่าหนักมากยิ่ยงกว่าพวกเราทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้ว เพราะความเป็นสัพพนยูเป็นเสียามถูทรงปฏิบัติโดยลาพังพระองค์เองบรรดาพระโพ ธ, ธิจายทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความนากลุกในขั้นต้นแห่งการบุกเบิกเพื่อความเป็นทรางมอันยากลุก คือความเป็นสาสะดาและเ บ, บิกทางอันลาบลื่นเดกอดพระวัดนี้เป็นความลำบากในการบุกเบิกขนาดไหนข้อทางไม่เคยเดินเป็นสยามภูจะต้องปฏิบัติโดยลำทงังพระองค์ดุทุกลำบาก ล, ลำบนแค่ไหนก็ต้องทรงบำเพ็นไม่ทรงลดลั่นทอถอยสั่งที่เราทราทุกถึงขนาด้หลก พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พโลกไปถึงสามผลจะฟื้นกลับมาฟังเลย น, นี่การที่จะข้ามกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้ตัดรนอยู่ในวัฏจักรสามหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่วันจะจบขึ้นเมื่อไรไม่ได้ถ้ามไม่ได้ทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสะดก็สะด เมื่อไม่ฟื้นกระตาตไปก็ต่างไปเมื่อไม่ตายให้ไปชัยชนะถ้าจิตไม่ได้มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้พิเศษไม่ได้ให้เราพึง น, นํามาเที่ยงถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้นบแบกบมาแล้วก่อนับไม่ถวนจนมาได้ถึงปัจจุบันนี้และยังจะแบบจะหามพบฉากิจึงเป็นกองทุกข์ไปทุกพบทุกชาติตลอดไปนี้เรายัง จะมีความสามารถมีความพอใจแบกหามไปอยู่เลยแต่การตรกอความเพียรเพื่อจะยือถอนสิ่งเป็นเชื้อให้กาอพบกกาอชาซึ่งเท่ากับก่อกองทุกข์ทั้งหลายให้เราแบกหามนั้นทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะงมะมีความอุตสาห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทน อดทนทีตส่าห พ, พยายามเพื่อจะข้ามเชื้อแห่งภพทั้งหลายอยู่ภายในกิตใจออกให้หมดขึ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียวไม่ต้องตายแั้วตั้มจัก ส, ก ส, กสกาสายทั้งหลายหุ่เกินสาประมาณไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรไม่มีความสุดมีดีกรี ไม่มีสัจสีเหนือที่เด็กอยู่มากเราจรึงควรตายด้วยความภาคเคียงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรเราเป็นลูกศิษย์สถาปนากฏขอพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อ สิงต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโลกกระททั้งแปดทั้งภายนอกโลกกระทำทั้งแปดทั้งภายในต้องอดตั้งทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นชีวิมงคลเพื่อความพ้นโลกของตนนักก็ต้องสู้ต้องทนเพราะทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดยหากมีทางอื่นเป็นที่รากรื่น ดีางามไปได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกทุกองซึ่งมีพระเมตตาต่อตวบโต๊ะแก่เต็มพระทยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้นให้โลกทั้งหลายได้ดังนี้ก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำ บ, บากแล้วการประกาศภษาศาสนาก็ทรงประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็น มันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละแก่ต่อโลก้าติสมา ก, ก็ต้องดำเนินไปทางสายนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ดบดดีปีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปด้วยค ว, วามด้วยหนามใครจะมีความฆ่าหานต่อควาต่อหนามเ่ า, าทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชชิมาประสิปทานวิเลศมันดุดันขนาดไหนมันเดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชชิมาซ ปฏิปทาคือสมาธิคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงให้ถึงกันพันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชชิมาที่จะแก้ที่เด็ดดางกิเลสประเภทดื้ด้านมีมัชชิมาประเภทที่จะต่อสู้กิเลสอันิดนั่นก็ต้องมีมีเรียวกว่มามัชชิมาพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกัถ้านำไม้มาติบ้างติเรือน ไมาที่ยาบอยู่ควรถ้าตั ด, ต ด, ดถ้ฟันก็ถ้าทาเต็มเม็ดเต็มหนวดเต็มกําลังวังชาก็ต้องถากให้เต็มสีมึงเต็มกําลังเหมือนจะฟันทื้งถากทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นนั้แต่ความจริงเขาถากครับในส่วนที่หยากที่โคตที่งอออกให้หมดเหลือไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโจกซึ่งจะมาทําเป็นบ้านเป็นเรือนบ้าน มันเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างบ้านสร้าง อ, อย่างอยากก็มีอยากกลางก็มี อ, อยากละเอียดก็ ม, กมีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราที่เลกก็เหมือนกันคำว่ามัตติมานหมายถึงม่าพิเรกประเภทใดที่มีอภายในกิตใจชนินดใดหนาเพียงไหนดื้อด้านขนาดไหนต้องนําหลัก มักมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปรก า, า, าการรูดถาดฐานเจิงจับเป็นความเหมาะสมกับการแก่สี่เหลียกระเพทนนั้นๆแต่ได้หาสีา่เลียหนาแต่เราจะทำแบบรูปคําๆก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ได้ถากได้ฟันอะไรแล้วเอากบใส่สายไม้ทั้งต้นมันจะเป็นบ้านเป็นเดอนได้อย่างไร ต้องออกขวานถากแบบฟันเข้าไปอืเมืม่อถึงขั้นที่จะใสกก่กบมันก็เมือเมื่อได้ถากลงอย่างเที้ยงวๆดัดที่โคดที่งอให้ตรงโดยโดยลําดับเรียบร้อยเจนหาที่ถากไม่ได้เพราะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นํานกบเข้ามาใส่เครื่องมือชนิดนี้มีอีกเรื่องของชิ้นเล็ก็เหมือนกันอย่างหยาบเวลานี้มันเต็มอยู่หัวใจของพวกเรา เราจะทำเด็ด ร, รูปคําคํามันไม่ทํากันเรียกว่ามัดจิมอันนี้ไม่จักเป็นมัดจิมาคืออ่อนกว่าพิเลรกกาลังไม่เพียงพอกับพิเล็กก็นํามาแก้พิเรกไม่ได้พิเรกหยาบสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักให้ทํากันเฮ้ยพิเรกละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตางันไปตางแต่ปจงกระทั่งพิเลรกขาที่หลบซ่องไม่ได้เพราะอํา น, นาจแห่งปัญญาขนาดแหลมคม ตามต้อนภาพปันกันจนแหลกแ ต, แตกกระจายไปหมดนี่แหละหลักมัชติมาเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าไปเสมอเสมออยู่ธรรมาดมาธรามะควรหนักก็ต้องหนักมัตติมาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดีอจะพอดีกับกิเลสประเภทใดผลิตขึ้นมา สติปัญญาตัดทางความเพียรเอาความเพียรก็เอาให้กล้าแข็งแข็งจนแกร่งไปเป็นหินเป็นเหลเ็กไปสติปัญญาปตัตตังไม่หยุไม่ถอยปัญญาพิณิพิจนาไม่ลักไม่วางอยู่กับตัวของมีเรียกว่ามัตติมาเสรงกับการแสวงสิริรแต่ละประเทประเทศและแต่ละกาลและสมัยที่สิริปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช่นนัน จิตที่ยังไม่สงบพยายามทําด้วยความสงบให้เป็นความสงบมีสติคอยคอยรักษาลุกเว้าจุมงานอย่างการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกรทั่งแบบนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีกความคิดเหล่านั้นถ้าทางจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้ว จะส่วนมากมักมีแต่ความคิดเพราะความคิดแต่ตามกระแสของเจตคติซึ่งเคยเป็นมาโดยลําดับจนมาถางถึงปัจจุบันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็อย่างว่าเรายังเสียดายหัวหนามที่มันตัดหรืทิ่มแทงอยู่ภาในท้าของของเราไม่สนใจที่จะถอนถอนมันออกเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้า พอที่จออกจากจิตใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทําความภาคเปลียนนั่นเป็นยิ่งเป็นสําคัญคิดมามากแล้วหนึ่งรูปหนเสียงห น, งนงึ่งกลิ่นหนึ่งรสทั้งทั้งผักทั่วโลกกระถางดินแดบนบมันเป็นเรื่องของจิตใจเราประเทา ว, วาสภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องราวแล้วก็หลงภาพมโนภาพของตน อารมณ์ของตนพุ่นพิดในอารมณ์ของตนดุ้งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามดูรอยวัวในครอบนี่แล้วจะได้ไอารมณ์แห่งธรรมที่จะทําให้เรามีความส ง, ออเงบเย็นใจบังคับจิตลงในสุขอารมณ์แห่งธรรมเพ่นกําหนดอนาปานัชติก็ให้รู้ ลมทุเระยะของลมยาเสียดายความคิดอยากให้ความคิดใดเข้ามาแทะในขณะที่ทางานนนความคิดคือทั้งขานมันคอจะแทกสมองทั้งขาญเป็นตัวสำคัญพ อ, อกระนั้นชั้นยามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดทีเดียวเราตามรู้ได้ยากจิตธรรมดาสามหังนี้ตามรู้ได้ยากถ้าว่าจิตคือละเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็ว ยุคจิผู้บริสุทธิ์แล้วนั่นมันมีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัตถจักรบัญชีของที่เหล็กทันหมดนหมดนอกบัญชีนี้ไปแล้วท <c oughs> านพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกายทังนอกขั้งใ่ก็เอาให้กินให้จังยาตักแบบพิจารณาผ่านเฉยๆว่าได้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเท่านั้นรอบเท่นี้รอบ นั่นนับออกก็ได้ลสําคัญสําคัญที่ความรู้แจ้งจริงๆเพราะการที่จะได้วความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทํางานด้วยเจตนาจริงๆเปล่ากฏดมาอย่างทัดเจ้งทัดแจ้งพิจารณาหลายครั้งแล้วเห็นเข้า ไ, ขไปนั่นแหละเมื่อทัดไม่จริงไห น, จ, ไหนจิิงใดสิ่งนั่นก็หายสงสัยคือหายสงสัยนิดน เอาจทินเอาสั่งเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรเชื่อทำท่านสัตว์ไม่แล้วอย่างไรดําเนินทำนั้นเสียดายทำมากกว่าเสียดายอรมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เหนเกิดติอะไพระสงฆ์สาวกท่านดําเนินอย่างไรเป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอราหันที่เราเจริบาราถึงท่านและ<อ>ลึกและลึก น้อมทางด้านจิตใจว่าสั้ ง, ง, งัคำแสดงกระชัมยาเพียงไม่ลึกถึงท่านเป็นเจ้าหน้าของจิตเพียงเท่านั้นให้ลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้ก้าวเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่านทุกกระเบียบก็ตามนี่ก็ยังดีเป็นลูกศิษย์ที่มีขลุ่เหลือดเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจของโลก ได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคลือบเคลิมหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเทียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษต่อจิตใจของจัดรโลกนี่เลยเพราะฉะนั้นจัดรโลกจึงต้องมีความพอใจ้ น, นความโลภในความโกรธในความหลงความรักความทังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลส จิตใจของโลกภาพฝันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แก้ที่เละไม่ค่อยชอบกันเพราะนี้ต้องเีนศึกษาต้องมีพิธีรีกองประพฤติปฏิบัติตั้งใจศึกษาตั้งใจป ฏ, ป ฏ, ป ฏ, ปฏิบัติจริงเรื่องของธรรมคนที่เละตั้งใจไม่ตั้งใจก็ะตามเพราะมันมีอํานาจมีกําลังมากเคยบังคับบัญชาหรือเชี่ยวสอนจิตใจของโลกมาเป็นเวานานแล้วจนกระทั่งถึง โลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับกิเลสเลยเป็นอันเดียวกันไม่นชาบอะไรเป็นกิเลสมันกล่อมได้ถึงขนาด น, นั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันไปเลยถ้าไม่แยดเยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสอนเรื่อง น, นี้มีสติปัญญาเป็นน้ําคัญจะหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลกก็พอใจโลกคนเ่ะเพราะกิเลสพาให้พอใจไม่เห็นว่าความโลกนั้นเป็นภัย ไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นความผิดโลภผู้อื่นโลภได้แต่ขอโลภเราไม่ถกเนี่ยสังโกรธเขาให้โกดได้ดุด่าเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้หนักมึงเรื่องของจิตมนให้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างแต่เข้าใจว่าเจ้าของผิดนี่มีน้อยมากเรื่องของี่จิตถ้าไม่มีทำเข้าไปต่ำแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิกเลยมีแล้วโลกยิงเจ้าไม่ตก เราอยู่ด้วยกันมนจํานวนมากน้อยซึ่งมากเอารัดเอาปเปรียดไม่ได้รับความขอโทษขอเตือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาความสงบมา ไ, ได้ก็เพราะอํานาจของกิเลสมันออครอบครองหัวใจมีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบคิดนิพาพานน่ะคิจันนาแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ยอมยอมรับความผิดเราเองก็ยอมรับความผิดของเรา่ตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขอืม ไหนถูกก็ส่งเสริมสิ่งนี้ไปลำดับลำดับเข้าไปนี่เอาทำเท่านั้นมีทำเท่านั้นเป็นคู่แผงของกิเลสหากไม่มีทำเลยเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกโดยทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่มันเป็นโทษแต่เมื่อนำธรรมะเขามาเทียบเคียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งขององสิ่งย่อมแข่งกัน ย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่ยมีสองคนก็เป็นคู่แข่งกันอันเดียวไม่พันจะแข่งกับบ่ายอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียวอย่างเดียวภายในหัวใจหาคู่แข่งมันได้จึงไม่ทราบว่ากิเลสเป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับกิเลสพาให้คิดให้ตรงให้ผูดให้ซาให้กระทําตก ประการใดทำไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่กิเลสเป็นผู้บงการเมื่อนำทำเข้าไปนิมิฉัยหรือได้ยินได้ฟังอาัดทมได้อ่านเอออัดเรื่องทำเข้าไปก็มีข้อเทียบเคียงทเทียบเคียงฝ่ายผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยะ ก, กันออกได้ทำเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้ การความหลงเป็นนั่นความไม่หลงเป็นนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดยลำดับทีนี้หาวิธีหาอุบายแยกเยกแยกแย ก, แยกเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่งอาศัยกำลังบังชาบังคับบังชากันถูถ่ายกันไเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานเเช่นเดียวกับเด็กทางานนั่นใหญ่ต้องค่อยบังคับบังชา พรับตาผู้ใหญ่เ่เด็กกับทะเลถลนะัยเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจตั้งเลก็ที่เกียดต้องอาศัยความบางังคับบัญชาตัวเองจิตใจเปงของสําคัญเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันนะี้พอใจได้รับความสงบพระองค์แห่ง ก, การพระองค์แห่งภาวนาจะเป็นภาวนาบุตรใดก็ตาม เมื่อใจสงบแล้วมันเย็นเย็นซาบซึ้งละเอียดอ่อนนะก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพรที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งควรจิตใจดีจมเกหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนแ่บนี้ติดไม่ได้เลยจิดจึงหาความสงบไม่ได้ปัจบันนี้จิตได้รับความสงบแล้วเพราะอำนาจของธรรมเนี่ยธรรมกับที่เด็ก ที่นี่ก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อใจได้รับความสงบสงบเพราะอะไร์ก็สงบเพรเาะสมาธิทำภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับ ท, ที่เรื่อยๆไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่สมยัยไม่ละความเพออยายาจะต้องมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นวันนั้นนิน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบํารุงจากผู้เลี้ยงดู ปิดใาไปรับการบำรุงจากการนี้ดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอ ด, ดีตธรรมเป็นการเจริญภาว น, นาสมารรถะรังรักษาอย่าให้มันเลื่อนขัดเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความปิดท่ารักษาตนไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติจิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเองไม่ทราบเลยว่า เบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ทั้งกับเมื่อไหรมันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นข น, ขนาดขนาดนั้นได้จากจิตตภาวนาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบเด็ชัดว่าขนาดนี้สงบแต่ในเมื่อสงบเขาหลายครั้งหลายหนจิตกายค่อยค่อยเปลี่ยนโล่งลนไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโลงเข้าไปมีตอนนี้สัเยยงเกตได้ยากคือเปี้ย ง, กงเกาลงไปเรื่อยเรื่อยมี รากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้รากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิตสงบแล้วสงบเล้าหลายครั้งหลายเหตก็เป็นการสร้างฐานพึ้นภายในจิตเองให้มีความแน่นหนามัน่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พิจารณาตามด้านปัญญาคน้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยค้นแปกแต่แปรธา แ, แ, แตุแกรที่ตรงนี้ธาตุคือธาตุสีส่ดินน้าลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เรารหา เป็นเราที่ตรงไหนมีภาวะดินก็มีแต่ดินร่วนๆน้ําก็มีแต่น้ําลมก็มีแตลมไฟก็มีแต่ไฟเราไปเสกสรรตั้งยอ่อออกสิ่ง น, นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอาธาสุดินน้ำลมไฟบ้างหรือถ้ากขาเป็นวญญาณเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันดังค่าโดยไม่รู้สึกตัวแต่นี้เพราเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำํำเขาลมเป็นไฟเ่าก็ถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำลมไฟอยู่เช่นั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเรา ความทุกความลำบากเพราะอุปาทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลมแห่งหนี้ชัดทีเดียวรางกายพระพุทธเจ้าทรงดูแจ่มชัดจริงด้วยกายร่างกายแห่งนี้ารุณทั้งหลายตรงนั้นกันสติปัญญาสี่เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์อริยสัจสี่เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์<ะ>ฟังให้ดีนะอริยสัจสี่เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจ ความ ท, ทุกข์ต้องอยู่นอกจฏิปถาอีกทีอันนี้เป็นทางเดินต่อความทุกข์นีเลยพิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิธถรมพิจารณากายกายในกายนอกทำปฏิบายิไว้ใปฏิปทาสุดเก่กเรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิจารณากายและกัตาสิ่หาที่สิ้นสุดมานไาแล้วแต่ถนัดตรงไห น, น ที่จะมาให้เป็นอรูปะอรูปังเป็นป่าชาพืดิตหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้เพรามันเป็นป่าชาพืดิตอยู่แล้วนะจารณาทางภาพอรุภะก็เป็นอย่างนี้แต่ปัณญาทางทั้งเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็เป็นภาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่ละอย่างนั่อย่างมันตอนอยู่ที่ใจดวงเดียวที่เผชิญสันต์ปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอย่านี้ใจเนี่ยอยู่ไว้เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม้เป็นสุข ถ้าอยู่กันเสุขมันก็ไม่มีถูกเอื้อมขนุนนึคิดนี้ตรงนั่นสําคัญมากหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสิุขันญาติคาความเพียรพิจารณาแยกแยะโยนสัญญ า, าลงออกเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาธาตุขันธ์หินธาตุเดินตามเรื่องของธาตุของขันธ์เราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตกอเป็นทำนี้ทํางาน อะไรมันพิจารณาว่าธามันก็เป็นธาตุพิจารณาว่าขันกับขันแปลว่าหมวดแต่ว่ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญาของสังขารกองวิยญาณก็อยู่ในกายในใจนี้เนี่ยถ้าว่าขันขันธะแปลว่ากองแปลว่าหมวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีสัต่ยมันกองสูงขนาดไหนกองขันกองรูปก็คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งแต่พื้นเท้า ็นบนคือสัต์ตรวจคือะัหคองสัญญาก็จัาได้หมดตรงไหนตรงไหนจาได้หมดคองสังขารกับปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอกของวิญญาณก็คือความรับร่าจากอัริยะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องกับตาหูจมูกด่นการใจก็เป็นอารมณ์ขื้นมาขณะที่รับร่า ว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั้นท่านเรียกว่าบิญวาพอผ่านไปแล้วความรักภาพนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัม ผ, สผัสผ่านไปแต่อารมณ์ที่นํามาวามาิจารณานจิตใจนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินในทางโน้นนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภายในจิตใจคุ้นชิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่นี่สร้างที่เหลืออยู่ที่นี่เพราะไม่มีสจิีปัญญาแก้ไขเราพิจารณาแยกๆให้เห็นตามความจริงทช่นนี้ พิจาณาอะไรให้มันเห็นครับเราจย่คาดคะเน อ, อย่าเดาให้เห็นตามความจริงมันแสดงขึ้นมาอะไรให้ดูตามความจริงตา่างนมีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นพันพันตนอุบายวิธีของปัญญานี้ไม่มีที่สุดขอให้ีพิจารณาให้ปัญญาออกเกิดแต่ยงนี้อเชยให้ปัญญาออกนี่มันเป็นแต่ไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างฟังใจมาแล้วว่า สมาีิรับปริพาวิตโตปัญญามหาตโลโขติมานีสั้งสรางโอ้ยสมาธ ร, home, าร forwards, e ับปริภาวิตที่รับปริภาวิตโตสมาธิมหาปโลโขติมานีสั้งโซ่สมาธิอันฉีดอบรมแล้วยังมีผลมากมีในสูงมากสามสมาธิปริภายตาปัญญามหาตลาโขติมานีสร้างสราปัญญาันสมาธิอบรมแล้วยังมีผลมากมีในสูงมากปัญญาปริทะปริตพาวิตังจิตังซั่มมาเดวะอาเสวีมุจะติจิตอันปัญญาอบรมแล้วยังมีผลมาก อันปัญญาอบรมแล้วยอ่อมถุกพ้นจากวิเดทั้งดวงโดยชอบนะตั้งเทาก็มีศีนอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิเร่งเข้าไปศีนเป็นศีนสมาธิเป็นสมาธิเราอยากเข้าใจว่าศีนจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลําดับอยางนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะนุ่ง แต่ที่เรียกจะได้หมดถ้าไม่นําไปใช้มันก็ไม่ไม่เกิดผลอะไรเช่นอย่งมีดอย่างขวานเครื่องมือต่างๆที่เรานํามาทําทํางานถ้าไม่เอาไปใช้งานมีดก็เป็นมีดขวานก็เป็นขวานคิวก็เป็นคิวกบเป็นกบเลื่อยเป็นเ้ื่อยอย่างนั้นนะมีสมาธิก็ก็อยู่อย่างนั้น ม, มีศีลแล้วไม่ทําสมาธิให้เกิดด้วยจิตตภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนะเ้าอยากให้สมาธิเกิดต้องทําภาวนา เมื่อภานาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านปัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิจะไปหมุนให้ปัญญาเกิดไปเองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปเลยปัญญาก็หมุนตัวเวลาให้จิดถึง้นเลยแต่นนี้มันไม่เป็นเล่นเล่นล้านตามความจริง <c oughs> ความจริงก็คือว่าสมาธิต้องทําให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบเร่มเย็นบ้างไม่หยีโหยในะอารมณ์อะไร มาไปเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นําจิตนั้นสอกพิจารณาในแง่ต่างๆของภาพของขันจิตไม่ที่ไม่หิ้วโหยก็ตั้งหน้าทำงานให้เรานะปุ่นหนึง่งเมื่อทํางานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิด ค, ความรูแ้แยกในง่นั้นงนี้ขึ้นมานี่เป็นผลเลยรู้ที่ตรงไหนหายตรงสหนตรงนั้นรู้ตรงไหนหายตรงนั้ น, น, นปัญญ า, า่อยขาขยับตัวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไ ป, นไปตั้งแต่ปัญญาขั้นบัญญเลเื่อยไปเลื่อยไปจนเป็นอย่าง ปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นเอียดไปโดยลำดับลำดัแก้กิเลสแก้กิเลสที่พัวพันทางกิจเมื่อในแก้กิเลสด้วยอํานาจของปัญญาทั้งสามขั้นปัญญาขั้นใหญ่ขั้นกลาขัละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดได้เฉลียวิชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชฌิมามัชฌิมานี่ด้หมุนตัวเข้าไปตรงไหนกิเลสทังทลายไปไม่มีอะไเลยนั่นวิธีแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ท่านเข้าใจ อยากเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะแกที่เรศทั้งหลาไปโดยสักเดียวต้องนำไปใช้เหมือ น, นเครื่องมือของเราถิอ ข, ขึ้นมามนง่าๆทำมีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีพร้อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเคะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้น ดีไม่ดีเน่าที่ติดสมาธิก่อเน่าทรงนั้นเลยนยเ ม, มื่อติดไม่ประจมงจมงกลาดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไม่รอดที่ต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิคผมเคยพูดเรื่องวกนต่าสัสงหลายผลเรื่องสมาธินี่ํานานพูดได้อย่างอาถารพ์เพราเป็นสมาธิมาถึงห้าหกปีแล้วกาหนดเมื่อไรได้ตรงนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวล่ะที่มันเป็นเหมือนหิน มีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้แยกเยะเข้าไปแยกแยะเข้าไปเห็นคุณข้างปัญญานี่มัไปใหญ่ถอดผอนไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆๆที่ไหนๆก็มาพ้นปัญญาปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทําให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายคลายควกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมด ปัญญาก็สนุกมากตั้งลงไปเมื่อเกเรเเร่สิ้นสุดลงไปพร้อมหน้าของปัญญาแล้วนั่นแหละคือคุณค่าการปฏิบัติธรรมคุณค่าของใจเด่นดวงเต็มที่ไม่มีอะไรเสมอในโลกทั้งสามจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจธรรมโมปฏิโปก็หมายถึงความสว่างรากระจ่างแจ้งของใจและธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว สวัวดิ์ใจก็ได้สว่าดิ์ธรรมก็ได้ธทําคือใจใจคือธรรมไม่ขัดไม่ขวางเพราะนอกจากสมมุติที่เขาตั้งกันไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่น่ธรรมแท้อยู่ที่จิตธรรมแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหาสงสัยนี่คุณข้าขงการปฏิบัติธรรมทษกข์็ทุกข์เพื่อจะได้ของประเากฏขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่า พ้า อ, องค์เป็นผู้มีเหตุผลจากและชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดําเนินตามหลักภาษาที่พระงสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะค้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสานาธรรมของพระเจ้าก็คือสลักแห่งมรรคนิพพานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดําเนินจิตการค่าของนตนให้เป็นเม็ตตาหน่วยตามหลักธรรมของที่เจ้าเถิดผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับลํานาไม่ต้องสงสัย เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เลยทาแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พระองค์ต้องพูดแสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้เห็นความจริงขณะจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นต้งความจริงของพระพุทธเจ้สาสงสัยไปที่ไห น, นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏฐากฎกฎหมายอันนี้เองอัอละแสดงตร็ น, นี้ให้ท่นา น, าานปัญญาที่มา